ใจเริ่มนิ่งแล้วรู้ว่าใจนิ่งนิ่รู้เข้าไปตรงๆงเลยการภาวนากนะ็คือการหัดรู้สภาวะนะหัดรู้ไปเรื่อยเรืสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกอาจจะหัดไปอย่างนี้แหละถ้าไปจิตจําสภาวะแม่นใช่ไหมสติเกิดเองตอนนี้อะไรเกิดขึ้นในกายนะสติะระลึกได้เอง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 ยิ่งภาวนาก็ยิ่งเห็นผิดไปหาหัดรู้จักสภาวะนะดูไปด้วยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็รู้สึกไปดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆอย่าไปจ้องไว้ดูสบายๆคอยรู้สึกเอารู้สึกแล้วมันเป็นไงก็ไม่แทรกแซงเห็นเห็นกิเลสเกิดขึ้นนี่ กิเลสเกิดขึ้นอย่าไปเกลียดมันถ้าใจเกลียดมันก็รู้ทันความสุขเกิดขึ้นใจไปชอบมันก็รู้ทันเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะนะดูสภาวะไปเรื่อยสภาวะสอนเราให้เห็นไตรลักษณ์มีแต่ความไม่เที่ยงอย่างใจของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาวแบบวแวบวบแวบตลอดเวลามันไม่เที่ยง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 ดูไปเจนวันหนึ่งเห็นความจริงว่าสภาวธรรมมีอยู่นะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้หมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปได้แต่สภาวธรรมทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นรูปรธรรมทั้งที่เป็นนามรธรรมนะี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าใครเขาถามนะว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะบอกหลวงพ่อสอนให้ดูสภาวะ ถ้าเราเห็นสภาวะนียกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมามจะเป็นตัวสภาวะทุกวันนี้เราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงจี่ยอันนี้คือตัวเรานความรู้สึกของเรานั้นอะไรต่ออะไรของเราพอมีตัวเรานะมันมีตัวเขามีของของเราขึ้นมาด้วยมีของของเขาขึ้นมาด้วยมันมีตัวเราจริงๆพอตัวเรานี้แปรปรวนไปไม่ได้อย่างใจนั้นก็มีความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าแยกออกไปนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสภาวะนั่นเองสภาวะที่เป็นรูปธรรม ท, ที่เป็นนมามธรรมเราจะเห็นในรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรานมามธรรมก็ไม่ใช่ตัวเราแยกมันแยกออกไปมันจะเห็นไม่มีตัวเราให้ายๆรถยนต์มีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเราคิดว่ามีรถยนต์จริงๆเรามาถอดออกเป็นชิ้นๆใช่ไหมอันนี้ลูกล้อลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นไหม พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์เบรกก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์สักอันเดียวหเห็นไหมถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์<ม>ดูไปดูไปเราก็รู้ว่ารถยนต์เป็นแค่ภาพลวงตาเนี่ยถ้าเราสามารถแยกกายแยกใจออกไปเราก็จะเห็นความเป็นตัวเราเป็นแค่ภาพลวงตาไม่มีจริงหรอก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 จิตใจก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็สําคัญผิดอย่างจิตมันโกรธเราก็สําคัญผิดว่าเราโกรธจิตมันโลภเราก็สํำคัญผิดว่าเราโลภจิตมันหลงนะจิตมันไปคิดเราก็สําคัญผิดว่าเราคิดเนี่ยสําคัญผิดมันมีพอมันเป็นเราขึ้นมาเราก็อยากให้จิตเนี่ยจิตมันเป็นเราแล้วมาเราก็อยากให้จิตมันมีแต่ความสุขความสบายมีแต่กุศลอย่างเงี้ย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 ขันมันจะอยากแล้วมันไม่สมอยากอะไรเงี้ยขันมันจะเหี่ยวแห้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรเป็นเรื่องของขันทั้งหมดเลยนะเราไม่เกี่ยวเราค่อฝึกนะจนกระทั่งเราสามารถไม่เกี่ยวกับมันได้เบื้องต้นจะไม่เกี่ยวกับกายก่อนเป็นพวกเราที่ฝึกกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนเริ่มเห็นแล้วร่างกายมันแยกออกไปตหากนะร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ต่อไปเวลาจะเจ็บจะแก่จะตายอะไรขึ้นมามเห็นมันร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราลนะนะหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆมีสติรู้สึกตัวเห็นสภาวะมันทํางานนะอย่างอาจารย์วันชัยนะมาเรียนก็มาอย่างพวกเราเนี้ยตอนที่ท่านยังมาเรียนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ภาวนาได้ขนาดพวกเราเนี้ยไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพวกเราหรอกนะแต่พอท่านจะตายจริงๆนะหลวงพวกก่อกรกะแล้วพรุ่งนี้ท่านตายรียบไปเยี่ยมวันนี้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 เห็นลงไปแจมแจ้งเลยไม่มีเรามีแต่ร่างกายมีแต่จิตที่เป็นคนรู้จิตก็เป็นสภาวะอันหนึง่งไม่ใช่เราร่างกายมันจะเจ็บร่างกายมันจะตายก็เป็นแค่สภาวะอันนึงไม่ใช่เรานการที่เราหันดูสภาวะนี่นก็จะแยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนๆแล้วเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานี่เป็นวิธีศึกษาธรรมะในศาสนาพุทธ ท่านเจ้าขุนประยุทธ์ท่านเรียกว่าวิพัฒชวิธีเคยอ่านหนังสือท่านหนังสือพุทธธรรมตอนหนังสือพุทธธรรมออกใหม่ๆนะ่ะดีใจดีใจวูสือเล่มนี้ดีมากเลยนะอ่านจนป่านนี้ยังอ่านสารบัญ <c oughs> อ่านได้แต่สารบัญโอ๊ยทําไมมันยากงั้นยากป่านนั้นนะมีศัพท์ที่เราไม่รู้นี่เยอะเหลือเกินะอ่านอ่านโอ้ดีจังนะท่านสอนบอกศาสนาพุทธเนี่ย สอนวิพัตชวิธีวเแหวนสระอิพอพานไม่หนาอากาศช่อช้างวิพัต ช, ชาว่าจับมันแยกออกไปแยกออกไปแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแล้วจะเห็นเนา้อเบียจะเป็นแต่สภาวะไม่มีตัวเราถ้าไม่มีตัวเราเราใครจะทุกข์สภาวะสิทุกข์ไปแต่เราไม่ทุกข์เห็นไหมตัวสภาวะนั่นแหละที่เรียกว่าขันห้าขันห้ามันก็ทุกข์ในส่วนของขันห้าขันห้ายังไงก็ต้องทุกข์เพราะขันห้าเป็นกองทุกข์ แต่ว่าเราไม่มีนะไม่ขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกจากขันห้าอีกงนั้นขันห้าทุ ก, ก็ทุกไปเราไม่ทุกด้วยเมื่อปีสองสี่ปลายปาย ป, ายปีหลวงพ่อไปเจอธรรมะของหลวงปู่ดูลยชตอนนั้นไม่รู้จักท่านหรอกเขียนชื่อพระรัตนากรวิสุทธ์เขียนไม่แค่นั้นเน่ะใครยัไม่รู้เขียน แล้วก็บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแ จ, มแจม้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแ จ, มแจม้งเป็นนิโรธอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกมีอีกบทหนึ่งนะจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพื่อมันไหวเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อมันไหวเป็นทุกข์ ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยมีสุติอยู่อย่างบริบูรณ์นะจิตไม่กระเพื่อมหันไหว เ, เป็นมั่งแล้วก็พ้นจากความทุกข์ไปให้เป็นนิโรธพระริยะเจ้าทั้งหลายนี่บทสรุปพระริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์นะมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไห ว, นวก็พ้นจากทุกข์ธรรมะของท่า น, นอ่านตรงนี้โอ้อ่านและใจจังนะ ตอ น, นี้เหลือท่อนเดียวนึกออกไหมเหลือที่จิตส่งออกนอกเป็นสมุดไทยท่านหลังไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงจําไว้เลย ท, ทั้งทั้งที่ดีจําท่อนแรกไว้เพราะดูดูเก๋ไก่ดีนะเขาอ่านตรงนี้นะเรารู้สึกขึ้นมาธรรมะอะไรประหลาดจริงๆนะจิตมันทุกข์นะถ้าจิตมันทุกข์นะมันไม่ใช่เราทุกข์ในใจรู้สึกอย่างนี้นะถ้าจิตไม่ทุกข์สัอย่างแล้วใครจะทุกข์อ่านธรรมะของท่านแล้วมันมุกเข้ามาตรงนี้ได้ โออยากรู้จักนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระองค์นี้ไปเที่ยวถามถามคนนละ้วเาบอกโอ้คงตายไปแล้วล่ะคงมรณะภาพไปแล้วนะเขาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟัานอีกทีหงหลวงปู่ฟัานยังสิ้นไปแล้วเลยสิ้นตั้งแต่ปีสองสองสามัมื่อหลนึหลวงปู่ดุลจะไปอยู่ได้ไงอยู่มาจนถึงเดือนกุมภานะพงเชษมาบอกท่านยังอยู่นะอยู่สุรินรู้อยู่แค่เนี้ยรู้ว่าท่านอยู่สุรินชื่อหลวงปู่ดุลนะ ก็ขึ้นรถไฟไปนะขึ้นรถไฟไปหาท่านไปแล้วเที่ยวถามเพราะยังไม่รู้เลยอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกลุยไปถามเอาไปถามถามที่แท้อยู่ในเมืองนั่นเองเจอท่านเรียนกับท่านท่านสอนให้ดูจิต ด, ดูใจตัวเอง แทนที่ท่านบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าสำนวนแบบช่วยย่อยอ่ะนะสำนวนแบบกินยาช่วยย่อยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมัน่นและเป็นกลางนี้ย่อยให้เสร็จแล้วนะถ้าเอาไปกินแล้วยังไม่ย่อยอีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงละนะไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่สอนการปฏิบัติไม่ยากยากแค่พาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหะนังสือมามากแล้วแต่เา็นนี้อ่านจิตตนเองสอนท่านนี่นะหละเราก็มาค่อยรู้ทันจิตตัวเองน มาค่อยรู้ไปได้เครื่องมือในการรู้จิตตัวเองนะก็คือสตินั่นเองตอนนั้นไม่รู้จักครับไม่รู้สติสเตอร์เป็นไงไม่รู้ทั้งสิ้นเลยนะท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองก็ค่อยสังเกตว่าจิตมันเป็นยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันเป็นยังไงอ่านมันได้ยังไงค่อยสังเกตก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าจิตนี้ต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตนี้ไม่อยู่เกินร่างกายออกไปหรอกเั้นต่อไปนี้นั่งกรรมฐานของเราเนี่ยจะวนเวียนอยู่ไม่ให้เกินร่างกายออกไป หลวงพ่อไล่เลยนะจิตอยู่ในผมหรือเปล่าเราไม่รู้จักจิตอ่ะจิตอยู่ในผมแม้ตอนนั้นผมยาวเหมือนโยมเนอะบี้บีดูเห็นจะมีจิตตรงไหนเลยะมันเป็นวัตถุเฉยๆจิตอยู่ในขนหรือเปล่าขนขนคิ้วเมื่อก่อนก็มีขนคิ้วตอนี้สั้นจุดจุ๋มนะขนคิ้วบี้บีดูนั่นก็ไม่เห็นมีจิตอะอยู่ในผมขนในเล็บมีไหมในเล็บในเล็บก็ไม่มีนะผมขนเล็บฟันหนังเลือดเอ็นกระดูกนะ ไล่ไล่ล่ล่อยู่ในร่างกายไล่ไปไล่มาไม่เห็นจะมีจิตเลยแต่จิตต้องอยู่ในกายแต่เราหาไม่เจอจิตอยู่ในหัวใจหรืออยู่ที่ไหนหรือมาไล่ยังไงก็ไม่เจอให้จิตเคาไม่ใช่วัตถุแล้วจิตมันเึกขึ้นได้นะจิตมันไม่ใช่วัตถุเราเราไปหาแต่ตัววัตถุมันก็ไม่เจอสิจิตมันต้องเป็นความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จิตอยู่ในความรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์ ทำใจให้สบายรู้สึกมีความสุขขึ้นมาดูลงไปที่มีความสุขไม่เห็นจิตอีกนะความสุขไม่ใช่จิตอีกแล้วกลุ้มใจขึ้นมานะเนี่ยความกลุ้มใจก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วดูไปดูไปนะในี่สุดก็จับได้จิตเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้พอจิตเป็นคน ร, นคนรู้แล้วก็ค่อยๆเห็นะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่จิตรู้นี่ถ้าพูดในภาษาพิธรรมภาษาปริยัตินละ้วก็คือจิตกับอารมณ์นะั่นเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะคําว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่าอโมชันอารมณ์แบบที่พวกเรารู้จักในคนยุคนี้รู้จักอารมณ์นั้นเป็นสั์เฉพาะนะแปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นของที่คู่กับจิตเสมอเลยนะมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเป็นของคู่กันเมื่อเราเรารู้รู้แล้วว่าโอ้จิตเป็นคนรู้อันนี้ค่อยๆสังเกตนะสวดมนต์ในใจ พุทโธสุสุดโธกรุณามหันโนเห็นเลยคำว่าพุทโธสุดสุดโธนะมันเหมือนงูเลื้อยออกมาจากถ้าผลุดผลุดขึ้นมาจากความว่างๆนะจิตเป็นคนดูอยู่จิตมันก็ถอนตัวปุ๊บออกมาเป็นคนดูเนี่ยดูมาจากสุรินนะไปแวะโคราช ด, ด้วยไปหาหลงพ่อพุธแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพอีกคนละขบวนกัน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 พยายามแยกไงแยกดึงดึงดึงใหญ่นะหาทางทั้งดึงทั้งผลักนะแทบจะเรียกว่าเอาเท้าถีบมันเลยถีบไม่ทั้งนี้ก็พยายามเหนียวมันนะย ใ, ให้มันแยกนะทําอยู่อาทิตย์หนึ่งนะหลุดออกมาได้ออดีจังเลยหลุดออกมาและ ห, หลุดออกมาแป๊บเดียวเองไม่กี่ขณะนะไหลเข้าไปรวมอีกล้วแต่ก็ยังดีว่าดึงมึงเจ็ดวันนั้มันหลุดออกมาได้นานขึ้นแหละเห็นไหมให้กําลังใจตัวเองด้วยนะนี่มีพัฒนาการแล้วเห็นไหมดึงแล้วมันแยกออกมาได้ ดึงอีกห้าวันนะครับนี่หลุดออกมาได้เป็นนาทีแล้วเนี่ยดึงใหญ่กะนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะฝึกตัวเราไปเรื่อยจนทั้งวันหนึ่งมันหลุดออกมาตลอดเลยมันจะไม่เข้าอีกแล้วคิดเอานะว่าถ้ามันหลุดออกมาได้ตลอดเนี่ยต้องเป็นพระละหันแน่เลยเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเลยจิตไม่เห็นเจตสิกนี่ไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยฟัดกับมันอยู่อย่างเนี้สามเดือนะถ้ามันหนักหนักก็แยกไปหนักหนักก็ไม่ใช่จิตนะแยกไป ค่อยๆแยกค่อยๆย่อ ย, ค, อยค่อยๆสลายสิ่งที่ไม่ใช่จิตไปเลยจะเอาจิตฝึกอยู่สามเดือนนะไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลนะการว่าท่านชมแน่เลยว่าเราฉราฉลาดลูกผิดคนนี้เก่งจังเลยอะไรเงี้ย น, นะสามารถแยกเอาจิตออกมาได้แล้วใครนึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกไปยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยไปไปกลับไปทําหม่ที่ทําอยู่ผิดแล้วที่ถูกก่บเป็นไงไม่บอกนะ รู้อย่างเดียวว่าที่ทําอยู่ผิดเอ๊ไปพยายามแยกมันนี้ผิดนะนึกขึ้นได้ว่าถ้าบอกให้ดูจิตเนี่ยท่านบอกให้ดูท่านไม่ได้บอกให้แยกนะเราเสือกไปแยกเองนี่คํานี้นะ เ, เสือกไปแยกเองอ่ะท่านบอกให้ดูตรงหักอะ่ะเอาใหม่วะคราวนี้มันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันโลภเห็นมันโลภนะมันโกรธเห็นมันโกรธนะบางทีใจก็แยกบางทีก็ไหลเข้าไปรวมกันยังไงก็ได้จริงๆล ง, งไงก็ได้นะ จะฝึกไปฝึกไปนะจนมาหนึ่งแจ้งให้มามันไม่มีเราจิตนี้ก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่เราแต่็จแล้วความสงสัยก็ยังมีอยู่นะว่าการปฏิบัติที่ละเอียดประณีตขึ้นไปเนี่ยเราต้องให้ตัวนี้แยกอยู่ตลอดหรือเปล่ามันมีสองตัวละอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์้จิตผู้รู้มันแยกออกมาอยู่ต่างหาก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 ถ้าไม่ได้ให้ไปจ้องใส่ตัวจิตถ้าไม่หลวงปู่ดุลบอกให้ดูจิตหลวงปู่ดุลกับพระพุทธเจ้าทําไมสอนไม่เหมือนกันชักงงๆงงนะขนาดเห็นนะตัวเราไม่มีนะการภาวนาที่ยากลําบากที่ประณีตขึ้นไปก็ยังต้องรูปรบคลำๆอีกเพราะอยู่ห่างครูบาอาจารยนะ์สงสัยนะจิตมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไอ้นี่มันเป็นตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้กับจิตอาจจะคนละตัวก็ได้นี่คิดไปอย่างนั้นอีกนะ เสร็จแล้วมาดูอยู่ตรงนี้อีกคราวนึงไปหาหลวงปู่ ด, ดุลินิหลวงปู่จิตนี่มันตั้งอยู่ที่ไหนได้ให้ท่านชี้ขานมันตั้งอยู่ที่นี่หรือมันตั้งอยู่นี่เราก็คิดว่าต้องดูตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันมันทํางานมันเกิดดับกะว่าคําตอบคําตอบสุดท้ายที่ท่านจะฟันทงเน้ยต้องอยู่กลางหน้าอกนี่ท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งสเสียงท่านจะบอกจิตไม่มีที่ตั้ง ฟังอ่ะม่มีที่ตั้งจะดูที่ไหนอ่ะอันนี้คราวนี้งงนะงงอยู่หลายปีเลยะจนสิ้นหลวงปู่ดูนไปจะถามท่านอีกนะว่าหลวงปู่ครับจะต้องขยายความหลวงปู่ผมจะควรจะดูไอ้ตัวเนี้ยหรือผมควรจะดูตัวนี้สงสัยนะเอาไว้ดูเองก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามทีหลังนถามมากนะก็เดี๋ยวหลวงปู่ว่าเราขี้เกียจ ด, ดูดูไปดูไปจนหลวงปู่มรณภาพไปหลังจากนั้นไปอยู่กับหลวงปู่เทศ ขยับจะถามหลวงปู่เทศหลายทีนะขยับขยับถามแต่เรื่องอื่นนะพอมาถึงเรื่องนี้ว่าจะเอาจิตไปดูที่ไหนดีจะดูที่นี่หรือจะดูที่ตัวรู้นี่ขยับจะถามอยู่นั่นแหละนะไม่ถามนะจะหลวงปู่เทศก็มรณภาพไปะไปเรียนจักหลวงปู่สิ ม, มิกนะหลวงปู่สิมมรณภาพไปอีกองค์หนึ่งครูบาอาจารย์ค่อยๆทยอยมรณภาพไปเรื่อยๆ เ, เราไม่ได้ถามใครนะจนมาบวชนะบวชตั้งแต่มาบวชนีนเรีย น, นยกับหลวงปู่สุวัตนะนะ ให้ครูหลวงปู่สวัสด์เนี่ยเป็นพ่อแม่ครัวอาจารย์องค์สุดท้ายเลยให้ชี้เป็นชี้ตายเราได้ถามดีไม่ดีถามดีไม่ดีเนี่ยอุตสาหอดกลั้นมายี่สิบปีแล้วอดกลั้นอีกหน่อยก็แล้วกันนะดูไปดูไปนะโอ้มันเห็นแต่ทุกข์ลุ่นล่นะเห็นแต่ทุกข์ลุ่นลนไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์ไม่เห็นมีตัวไหนมันไม่ทุกข์เลยนะถึงเข้าใจวนะ่าจริงๆไม่ได้ดูตัวไหนหรอก ทุกๆตัวล้วนแต่แสดงใจรักนนั้ทําไมจะต้องเพ่งเล็งไปดูตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดนั้นแสดงใจรักเหมือนๆกันหมดเลยเราดูสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันหมดนะสลัดทิ้งหมดเลยนะใจไม่ได้เอาไม่ใช่ทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้ถ้าทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้เนี่ยมันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามิจะติดอยู่ตรงนั้นเราไปไม่รอดลนะสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่เมื่อ20กว่าปีก่อน20เท่าไหร่26ปี วันหนึ่งท่านก็เปรย์เปรย์ครับผผู้ปฏิบัติส่วนมากนะกระทั่งที่มีชื่อเสียงมากมากเลยเนี่ยส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่านว่า่งนี้คาว่าผีใหญ่ของท่านหมายถึงเป็นพระนักคาตายแล้วไปเป็นผลมบอกเราก็ฟังไว้นะส่วนมากยังไม่จบหรอกทำไมมันยากเย็นแสนเข็นนะผู้ปฏิบัตินะมีเยอะท่านบอกเหมือนขนวัวนะวัวทั้งตัวมีขนเยอะ แต่ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเลยเหมือนเขาวัวเขาวัวมีนิดเดียวนะขนวัวมีเยอะยังมีขนลิงขนข้างขนช้างขนม้าอะไรเหมือนขนทั้งโลกเยอะแยะมีเยอะแยะแต่คนที่หลุดออกมาเหมือนเขาวัวมีสองอันมันมีน้อยทาไมมีน้อยเพราะไปติดอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละจะเอาตัวหนึ่งจะไม่เอาตัวหนึ่งจะเอาตัวนี้ไว้จะไม่เอาตัวอื่นน ยังเอาอยู่ยเอาอยู่ยังเกิดอีกอย่งยังต้องแสวงหาอยู่ยังดิ้นรนอยู่เกิดอีกเฉนั้นภาวนาจริงๆไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวไหนทั้งสิ้นหรอกภาวนาเพื่อให้เห็นในทุกสิ่งมันไม่มีตัวเราเป้นแต่สภาวธรรมล้วนๆมีแต่สภาวธรรมนะรูปธรรมนามธรรมตัวจิตทก็เป็นสภาวธรรมตัวรู้เเป็นสภาวธรรมตัวเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงะ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 คล้ายๆจิตเป็นน้ําที่สะอาดนะใสไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีนะเราเอาสีเข้าไปใส่เอากลิ่นไปใส่นะอัดแก๊สลงไปเขาก็เรียกนี่เป๊ปซี่นี่โคลานี่แฟนต้าอะไรเนี้ยนี่น้ําหอมนะนี่น้ําเน่าเนี่ยถต่ว่าน้ําน้ํามันก็น้ําเดียวกันใช่ไหมถ้าแยกธาตุออกมานะมันก็เป็นอันเดียวกันน้ำใส่ใส่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่มันแตกต่างกันขึ้นมาเรารู้ว่าน้ําขวดนี้กับน้ําขวดนี้เป็นขวดละอย่างกัน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 แ้าจิตไม่ใช่เราจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเพราะในบรรดาขันห้าทั้งหลายเนี่ยกายไม่ใช่เราดูง่ายที่สุดเลยฝึกกับหลวงพ่อเดินเดี๋ยวก็เริ่มเห็นแล้วกายไม่ใช่เราฝึกว่าจิตไม่ใช่เราดูกันแหลมปีนดูกันไปเรื่อยอย่ไปท้อถอยนะวันนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรดูไปเรื่อยต่อมามันจะเริ่มเห็นน่ะบางวันก็เป็นเราบางขณะเป็นเราบางขณะไม่เป็นเราเนี่ยเริ่มเห็นแว บ, บๆแนละ้วตัวเราเกิดขึ้นชั่วคราวก็แวบก็หายไป แต่พอเผลอเมื่อไหร่นะก็รู้สึกว่าจิตเป็นเราขึ้นมาอีกนะต้องดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเกิดอริยามรรคสวดาปฏิมรรคตัดชักก็ให้ทั้งฉะนั้นจิตไม่เป็นเราอีกแล้วไม่มีเงาแห่งความเป็นเราเกิดขึ้นในจิตอีกต่อไปนะนี่ละแล้วเป็นสมบุกเฉดประหารฝึกเอานะฝึกเอาไม่ได้ยากหรอกง่ายสุดๆเลยถูกโขาดาแล้วโมโหรู้ว่าโมโหไปเห็นจิตมันโมโหไม่ใช่เราโมโหดูอย่างเงี้นะเห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะแต่ไม่ใช่คิดนะ ไม่ใช่หลวงพ่อพูดให้ฟังนีไม่ได้พูดให้คิดแต่พูดนำร่องให้จิตของพวกเราพวกเรามีหน้าที่ฝึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่าเผลออย่าเพ่งรู้สึกเรื่อยๆ ร, รู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้เล่นๆไปเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจิตที่สุขที่ทุกข์ที่ดีทีชั่วไม่ใช่เราดีเราชั่วเราสุขเราทุกข์กอะไระเห็นกายเห็นใจมันทำงานพูดเนี่ยพูดนำร่องให้จิตมันฟังไม่ใช่พูดให้พวกเราจำใส่สมองนะ